มาบ่อยไหมไม่ฟุ้งเลยมไม่ฟุง้งนะเนเรียกว่าวิชานี้เราสอบผ่านวิชาไหนที่มันไม่มาไม่ได้นําเสนอขึ้นมาทำไมความวิชานั้นเราผ่านแต่วิชาไหนที่เรายังไม่ผ่านมันก็จะนําเสนอวิชานั้นขึ้นมาให้เราสอบอนอกจากวิชาง่วงแล้วิวชาปวดเมื่อยมาบ่อยไหมวิชาขี้เกียจมาบ่อยไหมวิชาสงบ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 สอบไม่ผ่านมันผ่านผ่านเดือนผ่านปีผ่านวันไปแต่ว่ามันก็ซ้ําชั้นนะอยู่ที่เก่ามาพวมมันไม่ผ่านราคาก็ไม่ผ่านโลภาก็ไม่ผ่านโทสะก็ไม่ผ่านติดซ้ําชั้นก็เคยหงุนหงิดอย่างไรก็หงุดหงิดมันเดิมไม่ผ่านเคยอยากเคยกินเคยโลภเคยหิวอย่างไรก็ติดอยู่อย่างนั้นไม่ผ่าน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 กายกับใจโคจรเพื่อใหมันตึงรู้อันที่สี่คือลอะสัมโมสัมปัญญะที่กล่าวมาเบื้องตน้นคือหลังจากที่ผ่านพ้นอารมณ์นั้นมาทั้งวันแล้วเนี่ยทั้งชั่วโมงถ้าวันหนึ่งมันไกลไปตรวจสอบมันทุกชั่วโมงก็แล้วกันหรือใกล้เข้าไปก็หนึงตรวจสอบทุกห้านาทีสิบนาทีว่าเรากำลังเป็นอารมณ์อะไรแล้วผ่านอารมณ์นั้นได้หรือยังเหลียวมองดู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 มันมันจิตของเรามันแบ่งเนี่ยจิตของเราจาเป็นต้องพุ่งไปไปกระแสเดียวเนะเหมือนกับไฟแสงไฟฉายนถ้าสมมุติว่าเอาหน้าเลนมันออกนะกระแสมันแบ่งไปทั่วมันจะไม่พุ่งไปไกลเห็นก็ไม่ชัดแต่เมื่อไรเรารวมนะรวมแสงทั้งหมดเป็นเป้าเดียวกันนะเขาเรียกใส่โฟกัสเข้าไปแสงนั้นจะพุ่งไปลำแสงไปไกลทีเดียวนะเรก็เห็นแจ้งชัดจิตของเราเหมือนกัน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 ไม่ใช่เฝ้าดูอย่างที่จะจับจะจ้องจะต้องจะเอาไม่ใช่เฝ้าดูมันอย่างเหมือนเราดูหนังอะหนังมนที่ฮาหรือโหดอยู่เป็นประจํานะหนังมนนี่ไม่มีหนังที่มันเป็นสนุกสนานอะไรหรอกอหนังมนทุกขังมนอนิจจังมนอ น, นาตานี่ท่านบอกให้ดูมันจนเป็นไว้สีอะดูให้ชวิชํานาญดูจนขนาดไหนดูจนเกิดวิลาคา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 ายอมศึกษาว่าทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่จากหายใจออกเราก็ควนศึกษาว่าทำกายทจิตสังขารให้สงบระงับจาหายใจเขา้าเราเราศึกษาเท่านั้นนะเราไม่ได้เอาเราศึกษาทาความเข้าใจแต่เราทำความศึกษาว่าเราทากายสังขารให้สงบระงับอยู่จากยกมือขึ้ น, นทากาย